วันในพระขาดไม่มาฉัน9รูปพระ43ขาด9ก้อุตหารนี่กระโจนจะออกพรรษายัางเหลืออาทิตย์กว่าแล้วก็ทางน้ำตามกุฏิต่างๆตามร้านต่างๆที่บรรจุน้ำฝนผู้ที่อยู่ในกุฏิก็ขอให้ช่วยๆกันดูความเรียบร้อย ถ้ามันเต็มแล้วก็ปิดซะถ้ามันไม่เต็มก็ต่อรางน้ําเข้าไปหาถังแต่ก็ให้ระมัดระวังเวลาขึ้นไปบนถังทําให้ถังมันยุบได้อันนี้ก็เห็นหลายถังแล้ะเพราะความขาดความรอบคอบขึ้นไปปี น, ข, นขึ้นถังขึ้นไปเอาหัวเขา่าไปกดตรงนี้มันยุบลงเลยแต่นี้มันไม่ขึ้นมาแล้วเนี่ยต้องหาค้อนไปตีอีกเพราะนั้นผู้ที่จะขึ้นไปต้องเอาบันไดพาดหรืออะไร ทำด้วยความระมัดระวังสักหน่อยถ้าทำไม่ได้ความไม่ระวังก็เสียหายได้ได้อันหนึ่งแต่เสียอันหนึ่งได้น้ําฝนแต่เสียถังน้ําอันนี้ว่าโบราณเขาว่าได้เต่าเสียหมามันไม่คุ้มค่ากันน้ําฝนราคานิดหน่อยแต่ถังน้ําราคาเป็นหมื่นเพราะนั้นต้องระวังให้มันได้ทั้งสองอย่างทําอะไรทําด้วยความทําด้วยปัญญาทําด้วยความรอบคอบ ในขจวนที่ออกพรรษาแล้วสําหรับน้ําฝนมีประโยชน์ยังไงสําหรับผู้ที่อยู่ในพรรษาอาจจะไม่เกิดประโยชน์แต่ผู้ที่มาอยู่ทดแทนในหน้าแล้งก็จําเป็นเพราะจะหิวน้ําจากศาลาไปฉันที่ร้านเป็นกิโล2กิโลจากศาลาไปก็เป็นภาร ะ, ะหนักเพราะนั้นผู้ที่อยู่ในพรรษาจําพรรษาในร้านหลังไหนก็พยายามตรวจตราดู เรื่องน้ำาไ่น้าถังน้ำฝนไว้ให้เต็มเพื่อพระที่มาทีหลังหรไปปฏิบัติทีหลังหรือพวกเรานันนอ่กลับไปแล้วอาจจะกลับมาแต่เป็นนวกะก็ไปแล้วอาจจะกลับม า, ารักษาศีลอีกอาจจะอยู่ในลานไม่มีน้ำดื่มไปยังไงอันนี้ก็ต้องเตรียมไว้เผื่ออนาคตสำหรับผู้มาปฏิบัติธรรม ช, ช่วยกันดูอันนี้ก็คืออันหนึ่งเป็นห่วงอยู่เหมือนกันทุกปีก็เคยเตือนแต่ปีนี้รู้สึกว่าเตือนสายไปสักหน่อยแต่ก่อนเคยเตือนทุกๆปีแต่เตือนตะกลางพันศาลแต่ปีนี้ผมก็ลืมไปพึ่งมาล้ำลึกได้แต่ก็าทางน้ําทางไหนขาดตุบบุกป้องก็ช่ว ย, วยกันดนูเนี่ยวัดวาสาสนามันเป็นอย่างนี้แหละทำมาอะไรมันเหลื่อมกัน ทำอะไรเห็นแก่ตัวยินแล้วแล้วไปศาสนาพุทธศาสนาโกคงยังไม่มาถึงพวกเราถึงขนาดนี้ตั้งแต่บรโบราณมาท่านก็นี่แหละเหลื่อมกันอย่างเนี้อุบายการก็แนะนําสั่งสอนตามความสามารถของท่านต่อมาแบบพยายามสั่งสอนมาเรื่อยๆแต่ยุคสมัยครั้งพระพุทธเจ้ายังไม่มีตัวหนังสือยุคนั้นเป็นยุคที่หนัก ถ้าจะว่าไปแล้วจะเป็นขาดเคลื่อนก็คงขาดเคลื่อนในยุคนั้นเมื่อพระพุทธเจ้าปรินิพานพระมหากัตปะก็เป็นผู้ประชุมสงเป็นประธานสงฆ์สังขารนาจากนั้นของพระพุทธเจ้าปรินิพานสามรอปีจากน้องพระพุทธเจ้าปรินิพานหกร้อยปีมีสังขายนากันมาตามลำดั บ, บ พระพุทธเจ้าพระริพานธห0 0ปีมั่งจึงมีตัวหนังสือขึ้นมาจารึกเป็นพระธรรมคำสั่งสอนขึ้นมานจากนั้นมาก็มีพระไตรปิฎกชำละกันมาเรื่อยๆคล้ายๆว่าดูตัดแปลงแต่ว่าถึงยังไ ง, งข็ยังเขาวโครงอย่างอันเก่าแต่นี้พอครูบาอาจารย์รุ่นหลังๆนี่ก็ถึงยังไงก็เรื่องความจำนี่ก็ต้องไม่เหมือนแต่ก่อนแต่ถึงยังไงก็ต้อ ง, ต, องต้องศึกษาให้เข้าใจ ทองแท้ในพระไตรปิฎกเพื่อได้นำมาสั่งสอนพวกเราเป็น ท, ทอดมาแต่ที่ยังไงก็ยังอยู่ในหนังสือยังเป็นมาตรฐานยังเป็นบรรทัดฐานสำหรับพวกเราผู้ปฏิบัติสืบทอดกันมาตามกฎระเบียบพระวินัยสรุปแล้วก็คือพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเหมือนกับน้ำที่สะอาดเป็นสระน้าที่สะอาดก็พร้อมที่จะ สรรพสัตว์ทางหลายสัตตะตว ะ, ตะผู้คล่องอยู่ในภพชาติยังมืดหนาแน่นอยู่ด้วยกิเลสจะต้องได้ลงไปอาบไปกินไปใช้น้ำอำมะตะธรรมของพระพุทธเจ้าสุดแท้แต่ใครจะมีบุญวาดสนามบา ร, รมีจับตับตวงได้มากน้อยแค่ไหนอันนั้นก็เป็นบุญบา ร, รมีของแต่ละคน สังสมมาในพบอดิตชาติในหลักของพุทธศาสนาไม่ใช่ว่าเกิดมาพบเดียวชาติเดียวเท่านี้อย่างพระพุทธเจ้าของเราท่านก็พูดมาว่าเกิดมาไม่รู้เท่าไหร่ตั้งความปรารถนาจะได้เป็นพระพุทธเจ้าจนพระพุทธเจ้าทีปังกรจึงได้รับพยากรสรุปแล้วก็คือการสร้างบารมีถึงสี่อสงไข์กาไรแสนมหากร พวกสาวกทั้งหลายก็เช่นเดียวกันไม่ใช่เกิดมาในภพนี้ชาตินี้ชาติเดียวเมื่อวานมีไหมวันก่อนมีไหมวันล่างหลังมีไหมปีที่แล้วมีไหมปีก่อนมีไหมมีมาเรื่อยๆอันนี้ก็เหมือนกันวันพุ่งนี้จะมีไหมเนี่ยมีทําไมไม่มีทําไมไม่เห็นทําไมจะว่ามีเพราะมันเคยมีมาแล้วอันนี้ก็เหมือนกันใจมนุษย์ ของเราก็เหมือนกันพบนี้ชาติที่แล้วมีไม่มีชาตินี้มีชาติหน้ามีนะมันไล่ไปอย่างนั้นนะแต่ว่าการที่จะมีพบหน้าชาติหน้านั้นต้องอาศัยบุญกับบาพเป็นผู้พาไปถ้าว่าใครทำบาปบาปก็พาไปใครทำบุญก็ บ, บุญพาไปไปสู่ภพภูมิต่างๆเพราะฉะนั้นพวกเราอย่าประมาทนะว่าชาติหน้าไม่มีตายแล้วเกิดอีกแน่นอน อยาจะรู้จักว่าตายแล้วเกิดตายแลือดสูนะนั่งภาวนาะทําจิตให้สงบสักครั้งหนึ่งความสงสัยนั้นจะหายไปโดยปิดทิ้งเลยว่างั้นแหละพอจิตสงบลงไปแล้วใจกับกายมันคนละส่วนกันมันไม่ใช่อันหนึ่งอันเดียวกันเหมือนกับ น, น้ํากับน้ํามันหรือเหมือนกับลูกมะนาวไปอยู่ในจานอย่างนั้นะจานก็คือจานมะนาวคือมะนาวหรือว่าไข่อยู่ในจานอย่างนั้น ไข่ก็คือไข่จานก็คือจานนยกจานไปแล้วไข่จะไข่จะดับไปด้วยไม่ใช่ไข่ก็คือยังเป็นไข่อยู่มันแยกกันอย่างนั้น น, นี่ก็เหมือนกันถ้าเราภาวนาดูแล้วตามหลักของพระพุทธศาสนาตามหลักของพระพุทธญาติหลักของพระอริยสงสารกิธานแนะนําสั่งสอนมาหลายยุคหลายสมัยถ้าเรานํามาพิสูจน์แล้วจะเป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างอื่น นั้นนักปฏิบัติทั้งหลายรูบายจานทั้งหลายที่อยู่ในป่าเขาลำนาไพรอยู่ป่ารวมพงไพรท่านอยู่เพื่ออะไรท่านต้องการความทุกข์ยากจย่างนั้นใช่ไหมแต่ท่านก็บอกว่าเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วถึงจะสนุกสนานขนาดไหนก็เถอะมันก็พร้อมที่จะทุกข์เข้ามาเพราะนั้นถ้าเราเป็นพระกรรมฐานหรือว่าเป็นพระที่สาะสแสวงหาทางพ้นทุกข์ ตามที่พระพุทธเจ้าที่ท่านวางเอาไว้ตามเรียะประเพณีที่พระพุทธเจ้าพาดําเนินต่อมาพระสงฆ์พาดําเนินเพราะนั้นครูบาอาจารย์แทนกองพาดําเนินท่านก็เดินตามที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์องค์ก่อนๆพาเดินมาท่านก็ได้รับความร่มเย็นเป็นทุกทางด้านจิตใจรู้แจ้งเห็นจริงในพระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ของปลอม ภาพพอปฏิบัติให้ถึงที่แล้วมีแต่ของจริงออกมาเรื่อยๆเป็นที่มั่นใจว่ากายกับใจนี่เป็นของผลแลส่วนกันสิ่งที่จะทําให้ใจมาเกิดนั้นเพราะอะไรร่างกายนี่เป็นวิบากของใจพอมันเกิดขึ้นมาใจเข้ามายึดมาครองร่างกายแต่มันเป็นวิบากของกรรมคือใจเป็นผู้มาครองแต่ที่จะทําให้มาเกิดนั่นคืออะไรทันกฎ พิจาราค้นคว้าดูก็คือกิเลสกิเลสมันแฝงอยู่ในใจเหมือนกับเหล็กที่มันมีอยู่สนิมอยู่ในนั้นมันมีเหล็กแล้วมันมีสนิมแต่ว่าถึงจะเปศษเหล็กก็เถอะมันก็สนิมละเอียดของมันเหมือนกันเราไปทิ้งไว้นานๆมันก็มีสนิมห่วงมาเหมือนกันไปมักไว้ในดินนานๆมันก็มีเหมือนกันความเศร้าหมองขึ้นมาก็คือสนิมของมันนั่นเองแต่ว่าสนิมของ ใจถ้าจะเปรียบเทียบก็เออสเตนเลสก็เอาขนาดเป็นพรัสดาบั้นซะเนี่สนิมขั้นละเอียดพระสกทาคามีละเอียดเข้าไปอีกพระอนาคามีสนิมละเอียดเข้าไปอีกเน่พระหารหมดสนิมแปลว่าปอดสนิมร้อยเปอร์เซ็นอย่างปุตุชนของพวกเราท่านทั้งหลายเนี่ยสนิมเกลืเลยว่างั้นเถอะสนิมแบบหยาบแบบกินเนื้อเหล็กเลยที่มันเกาะ อ, อยู่ในใจ แล้วเราจะทํำยังไงเึืจะจํากัดสนิมเรานั้นออกให้ได้ทีละน้อยละน้อยต้องใช้กรรมพิธีอย่างไรงอันนี้ก็คือวิธีการกิเลสมันอยู่กับใจแต่มันทําลายใจมันไม่ให้คุณกิเลสราคะเกิดกามาราคะมันเป็นยังไงเกิดโทสะมันเป็นยังไงเกิดโลภามันเป็นยังไงเกิดโมหะมันเป็นยังไงมันอยู่ในใจของเรา กิเลสราคาโทสะโมหะเนี่ยมันอยู่ในจิตในใจของพวกเรามันมีแต่ทําโทษให้แก่ใจของเราเพราะนั้นกิเลสเหล่านี้แหะที่จะพาไปเกิดในภพภูมิต่างๆสรุปแล้วก็ถ้าอาว่าเปรียบเทียบผ ล, ลไม้หรือเม็ดเม็ดพันธุ์เม็ดพันธุ์พืชผับต่างๆหรือเมล็ดข้าวในเมล็ดข้าวมันก็มีเชื้ออยู่ไม่ใช่หรือมีเชื้อมีตามีความเหมาะสมใน ตัวของมันมันมียางอยู่ในนั้นถ้าเร า, เาไปนึ่งซะมันก็ไปปลูกไม่เกิดถ้าเป็นนึ่งด้วยไฟร้อยองศาเลยสิต้มสักชั่วโมงหนึ่งเลียสยเป็นยังไงถ้าเราต้มด้วยตนเองแล้วเรารู้ได้เลยแบบข้าวเนี่ยไปปลูกไหนก็ไปปลูกเถอะเอาไปตากไห น, นยังเป็นเม็ดอยู่เหมือนกันเอาไปปลูกโลกไหนก็ไปปลูกมันไม่เกิดมัพอรพอะไรเพราะเรานึ่งแล้วเราทําให้สุกโดยไฟแล้ว แต่ทางว่าเราไม่ทําให้สุกโดยไฟมันยังมีเชื้ออยู่นั้นน่นะความสมบูรณ์มันมีเกิดขึ้นแล้วก็นั่นแหละมันจะต้องงอกเกยขึ้นมาอันนี้ก็เหมือนกันกิเลสภายในใจของเราคือเชือ้อตัวกิเลสมันอยู่ในใจทําให้ใจของเราไปเกิดในภพภูมิต่างๆได้เพราะกลมพร้อมกับกิเลสผลักดันไปไปเกิดในภพภูมิต่างๆเพราะฉนั้นพระพุทธเจ้าท่านมองเห็นแล้วอะ่ะตัวจะทําให้เกิดนั่นคืออะไร อวิชชาปัจจะยาสร้างฆ่าราท่านก็เพียนาถึงปฏิจจสมุปบาทเพียนาถึงค้นหาตนตอของกิเลส ท, ที่จะมาทำให้เกิดขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นท่านจึงกําจัดกิเลสด้วยตปธรรมคือศินสมาธิปัญญาต้มมักแปดสมาธิติสมาจังกโปนตปธรรมสินสมาธิปัญญา อริยสัจ ส, สีทุกสมุทัยนิโรธมักจิติปัฏฐานสี่กายเวทนาจิตธรรมเหล่านี้แหละเป็นเครื่องฟืนแต่ละดุลละดุลเหือนั้นเผากิเลสผลที่สิเชื้อกิเลสมันก็หมดออกไปจากใจของพวกเราใจเมื่อมีเชื้อมันก็ไม่ไม่มีที่จะเกิดหีืแล้วเนี้ไม่มีเชื้อมันจะไปเกิดได้ยังไงเหมือนกับข้าวที่เราหนึ่งแล้วนะเอข้าวเปลือกที่เราหนึ่งนะเป็นไงมันเกิดไม่ได้พอหมดเชือ้ออันนี้ก็เหมือนกันนะ่ะ พระพุทธเจ้าท่านเตรียมฟื้นไมาให้พวกเราแล้วให้พวกเรามาเผามานึ่งทงหมดเชื้อเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นแหละนิพพานังประมังสุขขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งจะเกิดขึ้นในใจของพวกเราท่านทั้งหลายทุกคนนั่นแหละหอยพวกเราทั้งอกทั้งใจนะต้องตั้งความเชื่อไว้ในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์จากนั้นก็ลงมือประพฤติปฏิบัติพวกเราจะถึงหลักชัย ไม่วันใดก็วันหนึ่งแน่นอนตามหลักของพระพุทธเจ้าแสดงเอาไว้นะอันนี้ก็เป็นข้อคิดนะประจําวันวันนี้เอาต่ อ, ตอนี้ไปรับพรอนุอโมทนาให้พร